บัดนี้จกสแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติกรรมฐานนั้นจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความสงบระงับที่เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการใช้ความเพียรพยายามตามหลักที่ทรงแสดงไว้ มีจุดตุ้งหมายอยู่ที่นิวรณสงบระงรับดับไปเพราะเมื่อเรามองในแง่ของความเป็นจริงที่เราโดยสรุปก็จะพบว่าภายใ น, ในใจิตใจของบุคคล น, นั้นมีตัวการสำคัญอยู่สองตัวใหญ่ๆพระพูทเจ้าทรงใช้คำว่าวิชาและอวิชา วิชาก็คือเรื่องของความรู้มีลักษณะเหมือนกระแสงสว่างบางแห่งอาจจะพบว่าทรงใช้คํำพยานบ้างปัญญาบ้างหรือแม้แต่ใช้ชื่ออย่างอื่นบ้างพวกนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นธาตุที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามทรงใช้คำว่าอวิชชา ได้แก่ความไม่รู้หรือความรู้ไม่จริง ร, รู้เต็มรู้ไม่เต็มตามขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้หรือที่ทรงได้บรรลุอวิชานั้นอาจจะเรียกชื่อโดยในยักษ์อื่ น, นจะนัดเป็นเรื่องเรียกเป็นความโลภความโกรธความหลงอาจจะเรียกเป็นอุปกิเลสอาจจะเรียกเป็นพวกเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกใจ คือหมักรองภายใ น, ในใจิตใจเป็นต้นสรุปแล้วว่าสิ่งนั้นก็ เ, เป็นเพียงกิ่งก้านสาขาของอวิชชาเท่านั้นในส่วนของวิชาคือคุณธรรมความดีทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นกิ่งก้งกานสาขา ข, ของวิชาคือความรู้โดยปกติแล้วปริมาณของ วิชาและอวิชาที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลมีลักษณะที่แตกต่างกันคือมีความมากมีความน้อยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งข้อนี้จะพบว่ารู้เจ้าทรงจำแนกแสดงคนในโลกออกไปในเชิงพื้นฐานทางใจและการรับรู้สิ่งต่างๆในตอนหลัง แ, แสดงพฤติกรรมออกมาในตอนหลังแต่บางคนบางคนมีพื้นฐานอวิชามากที่เรียกว่าเกิดมาดำเมื่อเกิดมาแล้วก็ยังมีความสนใจหมกมุ่นที่จะเขิ่มพูนเรื่องเหล่านี้ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของตนมากยิ่งขึ้นคนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตอนเองและต่อบุคคลอื่น ซึ่งทรงเรียกโดยโภคานหนึ่งว่าพวกมืดมาแต่ก็พกมืดไปภายในจิตใจามากไปด้วยอวิชชาจึงมีลักษณะเหมือนความมืดคนที่เดินไปในความมืดนั้นจะต้องประสบอันตรายหลุมหลุมบอ่อขวากนามต่างๆจะถึงอันตรายแก่ชีวิตโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากดังนั้น คนประเภทนี้จึงชื่อว่ามืดมาแล้วก็มืดไปคนอีกประเภทหนึ่งนั้นมีพื้นฐานในด้านอาวิชชาก็สูงเหมือนกันที่เรียกว่าเกิดมันดำแต่ในชีวิตประจำวันของตนเกิดจิตสานึกที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ตนเองดีขึ้นคือพยายามเพิ่มส่วนของวิชามากขึ้นสงชใยคำว่าเกิดมันดำ แต่นิยมข่าวคนประเภทนี้ได้แก่คนประเภทที่ทรงเรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปลักษณะของความมืดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลบางครั้งก็ส่งแสดงว่าคนโง่ที่รู้ตัวคนโง่นั้นโอกาสที่จะเป็นคนฉลาดมีได้ง่ายแต่คนโง่ที่ไม่รู้ตัวว่าคนโง่นั้นก็เป็นคนบรมโง่ ซึ่งคราวนี้จะเห็นได้ว่าคนประเภทหลังก็คือคนประเภทมืดมาและมืดไปนั่นเองส่วนคนประเภทที่รู้ว่าตนเองเป็นคนโง่เป็นคนโง่และรู้ตัวเป็นคนโง่ก็คือคนประเภทที่สองจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แม้จะเกิดมามืดปอดยังไงก็ตามอีกคนประเภทหนึ่งเกิดมาขาว หมาความว่าพื้นอัตยาใสาพื้นฐานทางสติปัญญานั้นก็มีดีแต่เกิดเจริญเติบโตมีความโน้มเอียงไปในทางไม่ดีหรือเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมีความพอใจยินดีต่อสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นในสุดความเศร้าหมองในด้านเหตุผลสติปัญญาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นคนประเภทที่เกิดมาขาวแต่ว่านิยมทำดำขึงนได้แก่คนประเภทที่ทรงเรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปคนประเภทหนึ่งนั้นเกิดมาขาวก็นิยมทำขาวหาความพื้นฐานในด้านธรรมะที่เป็นสายของวิชานั้นมีอยู่ว่า เมื่อเกิดมาแล้วจะมีชั้นทาตุตสาหะที่จะเพิ่มพูนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจมากยิ่งขึ้นตลอดทางชีวิตของเขาก็เป็นเรื่องของความสว่างมาและสว่างไปแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนอีกสองกลุ่มเืิดจะเกิดมาดําแต่นิยมทำไม้ดําให้ขาวคือมุ่งไปสู่มรรคผนิพพานไปได้เพราะนี้มีความเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ของกรรม อย่างที่ได้เคยศึกษาเราเรียนกันมาคือจะคโนกกรรรมนำให้เกิดในกำเนิดที่ไม่ค่อยดีแต่บุญกุศลอยู่ภายในใจเขาก็มีอยู่มากเพราะนมาเกิดมาแล้วก็มีความฉันทะาอุตสาหผาลขวัญที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆจนบรรลุมรรคผลนิพพานที่ไม่มีลักษณะไม่ดำไม่ขาว ตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลจึงมีอยู่เป็นนันมากที่บางท่านก็เป็นคนสามัญธรรมดาบางท่านก็อาจจะขอทานในซ้ําไปก็เรียกว่าเกิดมาก็ไม่คดีแต่มีจิตใจชื่นชมยิน ด, ดีในธรรมชั้นสูงคือมรรคผลนิพพานท่านก็ไปข้งท่านได้อีกกลุ่มหนึ่งมาก็เกิดก็เรียกว่าเกิดมาขาวก็มีทำข่าวก็นิยมทำไม่ดำไม่ข่าว แต่แกมักผลนิพพานนั้นเรื่องของมักผนิพพานจึงเริ่มจากพื้นฐานอย่างไรก็ไม่ค่อยสําคัญแต่ปัญหาสําคัญอยู่ที่การใช้ปัจจุบันเพราะปัจจุบันนั้นมีความเพียรพยายามที่จะสัมผัสผลคือความสุขความสงบในชั้นนั้นมากพอที่จะสัมผัสได้หรือไม่ราวว่าบุคคลเหล่านั้นทําได้มากพอ โอกาสที่จะสัมผัสผลเบื้องสูงก็มีได้แต่มองในแง่ของเหตุแล้วจะพบว่าเหตุทั้งอดีตและปัจจุบันมกักจะมีปัญห า, าเหตุในอดีตอ่อนเหตุปัจจุบันก็อ่อนผลผลจึงเกิดอ่อนไม่เต็มตามที่บุคคลต้องการหลักพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักตามธรรมชาติธรรมดา ที่ผลทั้งหลายจะต้องเกิดมาจากเหตุในลักษณะต่อเนื่องผลจะเกิดต่อเนื่องได้ก็ต้องมีเหตุที่ต่อเนื่องผลมากเหตุมากผลน้อยก็เหตุน้อยในชั้นกองการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บุคคลพยายามใช้ความเพียรพยายามโดยทรงอุปมาว่ามันเหมือนกระช่างเหล็กพยายามเคาะสนิมเหล็กออกไป ช่างทองพยายามไล่ไอสิ่งที่เป็นมวลทินของทองออกไปโดยอาศยความเปลี่ยนพยายามในชนท่าอุตสาหะและที่สําคัญก็คือในการไล่นั้นต้องไล่เฉพาะสิ่งที่เป็นโทษออกไปเท่านั้นสิ่งที่เป็นสนิมสิ่งที่เป็นโทษเท่านั้นไม่ใช่ไปลดในส่วนของความดีออกไปซึ่งในย่าการปฏิบัติเช่นนี้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ถอยกลับ หมายความว่าความดีนั้นต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่ความดีลดลงถ้าความดีลดลงก็แสดงว่าเป็นการปฏิบัติที่ถอยหลังหรือถอยกลับดังนั้นปริมาณของอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสจะต้องลดลงวิชาซึ่งเป็นส่วนของธรรมะจะต้องเพิ่มขึ้นโดยเส้นทางของการประพฤติปฏิบัตินี้ทีจริงก็เดินมาตามแนวอริยสัจที่จะยกมาในแต่ละวันสี่ครั้งแล้ว และโดวยวิธีการปฏิบัติเหล่าอื่นก็จะสรุปรวมอยู่ในหลักอ ร, รยิยสัจเช่นเดียวกันดังนั้นบางครั้งก็สงสอนในแนวคล้ายๆกับให้บุคคลมีความรู้สึกว่ากำลังอยู่ในสงครามคือกำลังรบกันอยู่เพราะอะไรเพราะว่าจิตที่เป็นกุศลนั้นเป็นจิตที่พึงปรารถนาของบุคคลทั้งหลาย แต่ในขณะเดียวกั น, ก, นก็มีตัวอกุศลซึ่งมีเชื้อสายมาจากอาวิชาคอยรบกวนคอยขัดขวางคอยบ่อนทําลายอยู่เรื่อยๆภายในจิตใจของบุคคลจึงมีความขัดแย้งต่อกันจิตจะถูกยื้อแย่งเข้าไปถือครองจากวิชาบ้างจากวิชาบ้างคือจากกุศลบ้างจากอากุศลบ้างนั่นเอง เราจะพบว่าบางครั้งก็ยื้อแย่งกันสับสนไปหมดเลจิตเปลี่ยนแปลงเป็นกุศลเป็นอกุศลสลับกันไปจนว้าวุ่นมีลักษณะว้าวุ่นภายในจิตใจนี่แสดงถึงการต่อสู้กันภายในใจระหว่างกลุ่มกุศลกับอกุศลเหล่านั้นึงมีฐานอยู่ที่วิชากับอวิชาวิธีปฏิบัติจึงทรงสอนให้มุ่งเพิ่ม ในส่วนของวิชาและมุ่งลดในส่วนของอวิชชาแต่การลดส่วนของอวิชชากับเพิ่มส่วนของวิชานั้นบาทีก็ธงทรงสแสดงในรูปของโวคารมีความหลากหลายขั้นตอนวิธีการนั้นมากเลยกันเพื่อบุคคลเห็นเป็นขั้นเป็นตอนไปเท่านั้นแต่ในเชิงของการปฏิบัติแล้ว ก็มาสรุปรวมที่ปาณะกับภาวนาคือละส่วนของความชั่วประพฤติส่วนของความดมีบางครั้งก็ทรงใช้ภาวนาเฉยอย่างที่พูดว่าสมถภาวนาและวิวปัสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือการอบรมกระทามให้เกิดขึ้นหรือกระทาให้มีให้เป็นขึ้นกระทาความส ง, งบให้มีให้เป็นขึ้น ถึงก็หมายความว่าตามปกติแล้วใจไม่ค่อยสงบใจดิ้นใจส่ายไปในอารมณ์ต่างๆไม่จะมีการยื้อแย่งกันระหว่างกุศลกับอกุศลแต่ก็เป็นการยื้อแย่งกันในลักษณะคล้ๆกันลิงจับหลักแต่ขึ้นอยู่ว่าฝ่ายไหนไปจับจิตได้จิตก็จะถูกครอบงมด้วยสิ่งเหล่านั้นบางช่วงบางขณะใจก็เป็นกุศลได้นานพอสมควร แ ล, แล้วแล้วใจก็ถูกยึดครองด้วยอกุศลอีกเพออกุศลมีกําลังแก่ก็ยึดครองได้เพราะอกุศลกาลังเพราะอกุศลมีกําลังขึ้นแกก็กลับยึดครองได้อีกคนทั่วๆไปพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่ามีลักษณะขึ้นขึ้นลงลงเรียกว่าอุจจาวะจังคือขึ้นขึ้นลงลงสูงสูงต่ําๆมีลักษณะไม่สม่ําเสมอบางครั้งทรงใช้กำลังฟูขึ้นแล้วฟุบลง อาการฟูขึ้นแล้วฟุบลงก็ดีสูงสูงต่ำๆก็ดีขึ้นขึ้ น, นงลงก็ดีนั่นเมื่อสืบสาวไปถึงต้นต่อแล้วก็จะพบว่าเกิดขึ้นจากแรงดันของวิชากอาอวิชานั่นเองแก้ก็ต่อสู้กันอยู่เรื่อยไปแต่เราดูง่ายๆคล้า ย, ายๆกับว่าบุคคลนั่งกันอยู่ภายในเรือ แล้วก็มีการต่อสู้ยื้อแย่งกันเรือก็โครงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรภายในเรือและไม่มีปัญหาอะไรภายในนอกภายนอกเรือเรือก็จะแล่นไปได้ดีจิตใจของคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นมีปัญหาอยู่ภายในด้วยมีปัญหาอยู่ภายนอกด้วยในชั้นของภายในก็มีวิธีการต่างๆที่จะสอนว่าทายังไงจึงจะเกิดความสงบ โดยเฉพาะลักษณะการเหนียวนึกของใจที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่จิตใจที่จริงอารมณ์เหล่านั้นแกก็สงบอยู่ภายในแต่ใจก็ไปเหนียวขึ้นมาแล้วก็มันรึกนึกที่สงใช้คำว่าวิตกบ้างใช่ว่าสังกับปะบ้างคือความตึกนึกที่จริงถ้าตึกนึกไปด้วยกําลังของวิชา กุศลธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะพบว่าองค์ธรรมบางประการที่เห็นได้ชัดว่าจะต้องจึกนึกเช่นธรรมวิจัยการพิจารณาสอดสองธรรมะนโยนในสมนัิการการทำไว้ในใจด้วยอบานแยบขายหรือว่าวิมังสาการใช้ปัญญาพิจารณาที่ต้องหาเหตุหาผลในเรื่องนั้ น, น, น ก็เป็นเรื่องของความนึกคิดเหมือนกันแต่นั้นคือความนึกคิดที่เป็นกุศลประกายของความนึกคิดในลักษณะนั้นคล้ายๆกับเราจุดแสงสว่างขึ้นก็จะทําหน้าที่ขัดจัดความมืดไปได้เรื่อยๆพิจารณาใจจองเรื่องอะไรพอเกิดความรู้ความไม่รู้ก็หายไปในจุดนั้นใจจองต่อไปพอเกิดความรู้ขึ้นความไม่รู้ก็หายไปในจุดนั้น การปฏิบัติจึง ม, มีแนวของการขัดเกลาว่างที่กล่าวแล้วมืนกับจุดไฟให้สว่างขึ้นในที่เรืจุดมันก็ขจัดความมืดในจุดนั้นลงไปได้แต่บางครั้งก็มีอารมณ์ที่มาเกิดขึ้นภายในจากภายนอกจะสร้างความกระเทือนให้บังเกิดขึ้นภายในใจวิธีการเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงวางไว้ทุกขั้นตอน ในชันของกรรมาฐานแล้วก็จะเน้นไปในเรื่องของการรู้อารมณ์และการวินิจฉัยอารมณ์ในแต่ละขณะเพราะที่จริงการได้รับส่วนของความดีเพิ่มเติมนั้นเราก็รับมาจากประสาทสัมผัสเหมือนกันแต่ส่วนของความชั่วที่รับเพิ่มเติมก็รับมาจากประสาทสัมผัสเช่นเดียวกันคือตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเดียวกันดูแล้วใล้ายๆกับว่า วิชากับอวิชานั้นเป็นขุนศึกที่ต่อสู้เพื่อยื้อแย้งจิตากายยนครแล้วก็จับราชาคือจิตไว้ในอำนาจของตัวเองกำลังที่มีอยู่ในภายในนั้นส่วนหนึ่งคือกำลังทีก่กำลังรบกันอยู่ใ น, นส่วนหนึ่งกำงมาที่มาจากข้างนอกนั้นก็เป็นกองหนุนเป็นกำลังหนุน ต่นี้คนที่ฉลาดนั้นไม่ใช่ว่าจะรบกันเฉพาะพวกนี้มันก็ต้องพยายามกองหนุนด้วยถ้ารบกันเพลินๆกองหนุนเข้ามาตลบเอาก็แยกเปกันแตนั้นถ้าก็สอนในวินิจฉัยอารมณ์ว่าอารมณ์ภายไหนจะเป็นกองหนุนของใครอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความมัวเมาก็เป็นฝ่ายสนับสนุนอวิชชา ถ้าจะปล่อยให้แกผ่านสู่จิตอวิชาก็มีกำลังมันมีกำลังฝ่ายวิชาก็จะสู้ไม่ได้ใจก็จะถูกยึดครองด้วยกลุ่มของอวิชากคือกลุ่มของกิเลสวิธีจะตัดรอนกำลังของฝ่ายอาวิชาก็คือปิดกั้นกระแสะอารมณ์ในลักษณะนั้นไว้แต่อารมณ์บางประเภทนั้นเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด คลายความขัดเคืองคลายความรุ่มหลงคลายความมัวมัเมามคือถ้าปล่อยเข้าไปสู่จิตก็จะเพิ่มกำลังฝ่ายของปัญญาขึ้นมาปัญญาก็มีกำลังหรือฝ่ายของวิชาก็มีกำลังขึ้นก็จะครอบงำใจ ย, ยึดครองใจได้อวิชาก็จะตกไปจากใจอย่างน้อยก็ในขนาดนั้นทำให้ใจบุคคลสว่างขึ้นสะอาดขึ้นสงบขึ้น วิธีการปฏิบัติทั้งหมดจึงเน้นอยู่ที่ปัญญาที่เราเรียกตัวเองว่าพุทธะหรือชาวพุทธหรือเรียกพระพุทธเจ้าว่าพุทโธ ท, ที่แปลว่าผู้รู้ก็คือเรื่องของความสมบูรณ์แห่งวิชานั่นเองวิชาปัญญาญาหรือแสงสว่างต่างๆนั้นเป็นชื่อที่ใช้แทนกัน การปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มุ่งให้เกิดความสงบถึงจาเป็นจะต้องอาศัยปัญญาเป็นหลักในการพิจารณาหรืออาศัยความรู้เป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินอารมณ์ในขณะเดียวกันก็มีการสอดส่องดูอารมณ์ข้อนี้ถ้ามองดูในเชิงที่เป็นรูปธรรมแล้วก็จะเห็นได้ว่า ให้เหมือนกับการทำงานในชีวิตประจำวันนั่นเองว่าอะไรเป็นส่วนเป็นส่วนเกื้อกูลแก่ร่างกายเช่จนจะปรุงอาหารก็ดูว่าอะไรจะเกื้อกูลแก่ร่างกายก็เลือกสิ่งนั้นปรุงเข้าไปแล้วก็รับประทานเข้าไปแม้จะมีอาหารอยู่เป็นนันมากแต่ก็บุคคลไม่ใช่ไม่ใช่ไปรับประทานทั้งหมดรับประทานไปแล้วไม่เกื้อกูลแก่ร่างกาย ก็งดเว้นไม่รับประทานลักษณะของอารมณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันบางครั้งท่านจึงเรียกว่าจิตคือสิ่งที่เคี้ยวกินอารมณ์คือดูดซึมซับอารมณ์ต่างๆเอาไว้เป็นนั้นมากเพราะถ้าอารมณ์อะไรเป็นค่าศึกต่อจิตก็ไปนําเข้าไปสู่จิตคล้ายๆกับอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็ไม่นาเข้าไปสู่ร่างกายอันนั้นก็ทาอะไรไม่ได้ พระแท้จริงอารมณ์กับจิตนั้นแยกต่างหากจากกันไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็แยกออกไม่ได้แต่แท้จริงแล้วพวกอารมณ์นั้นเป็นพวกจรที่เรียกว่าอาการตุกะหรือแขกที่มาเยือนแต่นั้นเองแกมาเยือนแกก็ไปบางทีก็มาเยือนอยู่นานบางทีก็เยือนอยู่ไม่นานอารมณ์ที่เป็นกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นแขกเหมือนกันเป็นอาคารตุกกะที่เข้ามาเยือนเหมือนกัน เฉพาะที่ผ่านมาจากข้างนอกแต่เป็นแขกที่ควรแก่การต้อนรับราสัยเชิญชวนให้อยู่เพราะจะอยู่แล้วจะมีความเกื้อกูลแก่ตนเองทางการวินิจฉัยอารมณ์ในลักษณะนี้จึงไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องอยู่ในอิทธิาบาททึ่เหมาะพร้อมจะนั่งสมาธิทำกรรมฐานแต่ว่าต้องใช้ในชีวิตประจำวัน พิพิจาาทรงใช้อีกคำคำหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของความรู้ทรงช้คำวมาชาคารโรแปลว่าเป็นผู้มีความเพียรที่ตื่นตัวอยู่เสมอคือตื่นตื่นตัวอยู่ตลอดระยะเวลาลักษณะตื่นตัวนี้ที่จริงก็ขยายโครงสร้างจากการใช้ชีวิตประจำวันของบุคคล น, นั่นเองฉันยกตัวอย่างว่ารับประทานอาหาร สติสามัญญาจะต้องต่อเนื่องทุกอิริยาบถของการรับประทานอาหารตักออกมาจากภาชนะตักใส่ช้อนตักเคี่ยวเข้าไปในปากแล้วก็ต้องมีสติสามชัญญาเพราะบางครั้งสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นเมื่อเข้าไปปากเข้าไปอยู่ในปากแล้วเราก็รู้แต่บางครั้งก็รู้จะ ก, ก่อนนะรู้จะ ก, ก่อนก็หยิบออกได้บางครั้งเข้าไปอยู่ในปากแล้วจึงรู้มันก็ อ, ออกได้ แต่ถ้าเกิดเผลอเร่อเกิดหลงลืมเกิดคลั่งพลาดก็กลืนเข้าไปจนกล้างไปติดคออยู่นี่ก็แสดงว่าสติช่วงนั้นขาดในขณะเคียวไม่มีสติสำใจชัญญา ก, ก็ต้องแก้ปัญหากันบ้างหน่อยบางคราวบางคราวก็อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้เรื่องสิ่งที่ผ่านมาสู่ใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถาว่าบุคคลพยายามรู้อารมณ์เหล่านั้นทุกขั้นตอน แล้วก็มีการเลือกเฟ้นอารมณ์ได้อารมณ์ใดควรรับอารมณ์ใดไม่ควรรับแล้วก็ทําไปได้เรื่อยๆแม้จะเนียวนึกขึ้นมาภายในก็มีสติสัพยัญ ญ, ญาและรู้ว่าควรจะเนียวนึกอะไรหรือไม่ควรจะเหนียวนึกอะไรจะช่วยให้ใจของบุคคลมีความสงบสูงขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นหลักที่บุคคลจะต้องใช้บ้าง ใช้ไปทุกกรณีไม่ว่าในชั้นการให้ทานชั้นการรักษาศีลคือสรุปว่าทุกอย่างต้องมีปัญญาเข้ากํากับหมดจึงจะกลายเป็นคนที่รู้จริงๆตื่นจริงๆและเบิกบานเบิกบานได้จริงๆปัญญามีลักษณะเหมือนแสงสว่างดังกล่าวแล้วเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นวิเคราะห์วินิจฉัยอารมณ์ได้เช่นมาดูการมฉาฉันนิพนธ ก็มองเห็นเป็นกระบวนการการมฉั น, นนิพพานนี้เมื่อเกิดขึ้นภายในจิตจะมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จะเกิดก็เกิดขึ้นมาอย่างไรเมือเกิดแล้วแกดำรงอยู่แสดงอาการอย่างไรทำอย่างไรจึงจะหายไปทำอย่างไรจึงจะหายไปอย่างถาวรทำอย่างไรจึงจะหายไปในขณะนั้นๆั น, นทนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า ในการแก้ปัญหาของคนแต่ละคนในชีวิตประจำวันนั้นจะพบว่าบางอย่างเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งไม่ได้หมายความว่าหมดปัญหาแต่ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านั้นให้ได้บางครั้งเป็นการแก้ในลักษณะที่ชั่วคราวคือแก้ไปได้ชั่วคราวเช่นว่าเกิดหิวรับประทานอาหารเร า, าแก้หิวไปได้ชั่วคราว แต่วันหลังก็หิวอกีกก็ต้องแก้ปัญหากันอกีกบางครั้งเป็นการแก้ปัญหาที่ยืดนานคือทิ้งช่วงระยะเวลานานแต่บางครั้งก็เป็นการแก้ทาวรอนคือหมายความว่าไม่ต้องแก้ปัญหานั้นอีกต่อไปการปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะปัญหาบางอย่างลักษณะาอารมณ์บางอย่างก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน โดยวิธีข่มใจหักข้ามใจเจ็ดว่ากำลังสนทนาปราศัยเพื่อจะให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาจิตใจอาจจะขุดมัวเศร้าหมองไม่เคยพอใจอะไรท่าไหรอกตอนนั้นแต่ถ้าลุกอำนาจแก่อารมณ์ก็มีปัญหาเพราะงั้นก็ข่มใจไว้ก่อนอาจจะมีคุณคุณอยู่ภายในใจก็ช่างแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้แต่กันบางครั้งบางคราว สามารถที่จะแก้ปัญหาทิ้งช่วงได้ระยะหนึ่งเวลเสร็จเรื่องเสร็จราวไปในช่วงหนึ่งในตอนหนึ่งเว่าเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาก็ตามก็ระงับดับอารมณ์ไปในขณะนั้นแต่อารมณ์เหล่านั้นก็คงจะเกิดขึ้นอีกเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ตัดปัญหายุติปัญหาได้เพียงชั่วคราวคราวหนึ่งระยะหนึ่ง บางอย่างก็แก้ปัญหาในลักษณะที่ยืนนานบอสมควรได้แก่การแก้ปัญหาตามแนวของสมาธินี่มันแก้ปัญหาได้ยืนนานพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในช่วงที่อยู่ในสมาธิแต่ออกไปกระทบอารมณ์มันก็ อ, อีกอะก็อนจะเกิดขึ้นได้อีกแต่ว่าการกระทาบ่อยๆนั้นเป็นการสร้างเสริมพื้นฐานของ ธำให้เป็นหลักคิดเหนียวทางใจบังครั้งแม้เราจะไม่อยู่ในสมาธิแต่ประดังกิตที่เข้มแข็งนั้นจะมีลักษณะต้านทานอารมณ์ได้อารมณ์ที่เคยโกรธก็ไม่โกรธอารมณ์อารมณ์ที่เคยเกลียดก็ไม่เกลียดแล้วพวกที่เคยรักก็ไม่รักเป็นต้นแต่บางอย่างก็แก้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยเรียกว่าตัดรากถอนโคนในจุดนั้นๆ น, น ได้แก่การปันการแก้ปัญหาที่จริงในชั้นศีลก็มีที่เราเรียกว่าสมุติเชตป ร, ริญญาคืองดเว้นไปเฉพาะส่วนนั้นเช่นว่าไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตไม่ประพฤติผิดลูกเมียก็ตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตเป็นดุลไม่ฆ่าตลอดชีวิ ต, ต, วตคือเอาข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่ามันก็แก้ปัญหาได้เฉพาะส่วนนั้น จ้เราไม่ดื่มสุราตลอดชีวิตปัญหาที่เกี่ยวกับสุราะจะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องอื่นก็ได้แต่การแก้ปัญหาของแนวพระอริยะที่ท่านกัดตัดกิเลสได้เป็นตอนๆเป็นข้อๆไปนั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาถาวรในจุดนั้นๆแต่คนที่แก้ปัญหาได้สมบูรณ์จริงๆก็มีเฉพาะปร า, ารานั้นาการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนา ก็ เ, เพียงแต่พยายามก้าวเดินไปบนเส้นทางของพระพุทธเจ้าบนเส้นทางของพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะแก้ปัญหาได้ตามสมควรแก่กรณีดนั้นหรือจจะปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาชั่วคราวแก้ปัญหาที่ยืดนานขึ้นหรือ แ, แก้ปัญหาได้เด็ดขาดสึ่งผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้นันเด็กต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ ตั้งใจรงความสงบเสืบต่อไป